พอโรงเรียนเลิกธรรมะจะชวนเพื่อนๆสี่ห้าคนไปเรียกท่านว่าลุงเตีย๋ยบอกเราไปหาลุงเตียกันดีกว่าวันนี้คงจะมีขนมมาไส่ผักใส่กระเก็บไว้ให้ทุกวันอะ่ะพอไปถึงท่านก็นอนเพราะท่านพูนเราก็เข้ากันเพียวมือพีิจตมาก็เข้าแขนซ้ายบ้างอีกคนเข้าแขนขวาบ้างอีกคนก็เข้าติดเท้าสองเท้าบ้างสับบะช่อกับเป็การใหญ่เพราะว่าท่านพูนเอามือสับให้เราเป็นเด็กท่านก็ชอบ เสรแล้วท่านก็เล่านิทานให้ฟังบ้างอะไรบ้างบางวันก็ช่วยถอนผลลักแร้ให้ท่านบางังถอนผลหน้าแค่ไงท่านบัางถอนก็อย่างทั้งเตียนถึงปัจจุบันนี้เวลานี้ท่านยังมีชีวิตอยู่อาตมาไปลองขอดูยังเป็นมันอยู่ตามเลยไม่งอกอีกต่อไปเลยสมัยที่เป็นเด็กเคยถอนกันนี่เป็นเรื่องจริงเอามาเล่าให้ฟังสมัยเป็นเด็กเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องภาพคู่ดงแล้วก็มีเรื่อง ก็ถามเขาหลวงเสียครับรฉันเล่าได้ไหมตอนเย็นๆท่านก็บอกว่าไม่ได้หรอกฉันเล่าไม่ได้เราว่าเอหลวงพ่อที่มาทุ ด, ดงนี่ท่นานฉันเล่าตอนเย็นๆพอสุดท้ายก็เลยแถวบ้านรู้เข้าท่านก็เลยอยู่ไม่ได้ก็เลยทุ ด, ดงต่อไปอีกท่านมีกาอยู่ลูกหนึ่งแล้วให้เรากาเนี่ยไปซื้อเหล้าให้ใส่กาน้ําด้วยอันนี้ก็คงจะเป็นพระทุ ด, ดงตอมแต่เราก็ไม่รู้เห็นว่า ท่านทุดงมาก็เลื่อมใสก็ไปปล้นิบัติบัตรทาท่านหวังจะได้บุญได้กุศลหวังจะได้ของดีเพราะท่านทำลูกอมให้ลูกอมลูกนั้นก็เลยเป็นอันว่าเปี้ยงทิ้งไปฉิบเพราะว่าไม่เกิดความเลื่อมใสในลักษณะดังกล่าวเนี่ยแม้ปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายที่เห็นพระทุดงก็ยังคงเข้าใจว่าพระทุดงเนี่ยท่านจะต้อง มีอะไรสักอย่างมิฉะนั้นแล้วใช่คงเดินทุดงไม่ได้ เ, ออเรื่องเดินทุดงนี่เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องศึกษาว่าเราเดินทุดงกันเพื่ออะไรการเดินผุดงนี่วัตถุประสงค์ก็คือการจาริกไปเพื่อเผยแพร่ธรรมนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคาว่าทุกตาง หรือทุตังคะสับเนี่ยแปลว่าขัดเราไปเพื่อขัดเราขัดเราในที่นี้ก็คือขัดเกลากิเลสขัดเกล้าความโลภขัดเกล้าความโกรธขัดเกล้าความหลงด้วยการเดินทุดงค์ดันั้นการแปกกรดธุดงไปนี้วัตถุใหญ่ก็คือเพื่อขัดเกลากิเลสได้แก่ความโลภความโกรธความหลงนี่เองเราจะเห็นอานิสงส์ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสได้อย่างไร แราบอกพระที่มีโลภมากหรือเป็นผู้ที่หนักในราคะจริตจะได้รับประโยชน์จากการสุดงเนี่ยมากเพราะว่าเช้าขึ้นเราจะต้องแบกกรดเนี่ยเดินกันไปตลอดวันพอเย็นลงจึงจะหาที่ปักกรดการเดินตลอดวันเนี่ยเป็นการออกกำลังภายในตัวด้วยและก็ทำให้อ่อนเพรีย พ อ, อปรกกรบที่ไหนจำวัดก็หลับอย่างตายเลยคือไม่รู้สึกตัวด้วยความอ่อนเพลียเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งและอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการบรรเทาความติดติดในสถานที่ติดญาติโยมว่าเราอยู่ที่นี่สถานที่โอโทงดีมีญาติโยมคอยปฏิบัติวัดถานมากถ้าหากว่าเราติดสถานที่อย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมย้ายสถานที่ ก็เป็นกิเลสอย่างหน pues ึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นทางแห่งความ้นทุกข์การเปลี่ยนสถานที่ nah. iad, คือการทุดงนี่ก็คือการสละสถานที่ที่ตนเองเคยอยู่เคยอาศัยแล้วก็ไปนอนกลางดินนอนโคนต้นไม้แล้วแต่ว่าเราเนจะสมาทานทุดงประเภทไหนซึ่งมีการถือและการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อเราเดินทางไปแล้ว เราจะไม่มีความอะไรอาวรต่อสถานที่คืนนี้นอนที่นี่คืนพรุ่งนี้ไปนอนอีกที่หนึ่งจะไม่อยู่เป็นที่เป็นประจำจะต้องย้ายที่อยู่เสมอเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ดงเพื่อการขัดเกลาพิเลและการไปนั้นก็จะต้องไปเพื่อเรื่องเนี้โดยเฉพาะที น, นี้เรื่องผู้ดงกับชาวบ้านเป็นของที่แยกออกจากกันไม่ได้พระผุ้ดงไปที่ไหนชาวบ้านก็มักจะเรื่องใส เมื่อชาวบ้านเรื่อมสายมากๆเข้าพระผู้ดงในสมัยหลังๆนี่บางท่านก็มุ่งหวังอามิตรไม่ใช่ไปเพื่อการขัดเกลาประหว่ า, เ า, า, าิเข้าพรรษาท่านก็ายยาเตรียมทําพระทำตะกรุดทาพยานของท่านพอพรรษาท่านก็ใส่ย่ามเต็มเนี่ยออกผู้ดงโยมมากระแจกแจกเครื่องรางของขังแจกพยานบางแจกตะกรุดบางตามเรื่องตามราวของท่านอะ่ะ ลักษณะบังล่าวอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อการขัดเกลาวแต่ว่าไปเพื่อการเพื่อภูกิเลเให้แก่นตนเองอย่างนี้ไม่ถูกไม่ไม่ถูกวัตถุประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ว่าทุดงนี้ไปเพื่อการขัดเกลาวหรือไปเพื่อทำลายเิเลสโดยเฉพาะฉะนั้นเรื่องทุดงกับชาวบ้านเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้อย่างนี้ ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นครฤหัตท่านทั้งหลายจะปฏิบัติต่ตอพระธุดงอย่างไรเพราะว่าธุดงค์มันมีอยู่หลายลักษณะดัง ก, กล่าวแล้วแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนี้ได้ทราบข่าวว่ามีพวกผู้ก่อการร้ายร่อนแปลงเป็นพระธุดงมาก็มีโดยมีอาวุธติดตัวมาด้วยซึ่งเรื่องเนี้ยจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรเราก็ไม่ทราบลึกซึ้ง แต่ว่าจะทำให้พระผุ้ดงเนี่ยที่มุ่งที่จะขัดเกลาวกิเลสนี้ต้องได้รับความกระทบกระเทือนมากมายอยู่ซึ่งถึงกับเถระผู้ใหญ่บางท่านมาปรึกษาว่าควรจะห้ามให้พระผุดงจะดีไหมเพื่อความปลอดภัยของพระศาสนาซึ่งเรื่องนี้เราก็เห็นใจเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองนั้น บางทีก็กระทบกระเทือนต่อการประพฤติธรรมของพระสงฆ์เหมือนกันเช่นอย่างในกรณีที่พระสงฆ์ไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำถ้าหาวกว่าไปอยู่โดดเดี่ยวขึ้นเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมองว่าเอเป็นพระจริงหรือว่าผู้ก่อการร้ายแปลงเป็นพระมาอยู่อะไรทานองนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองซึ่งทำให้การขศาสนาบางอย่างก็ต้องกระทบกระเทือนไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามความปลอดภัยของของศาสตาสนาของประเทศชาติ เ, เป็นของสําคัญกว่าถ้าหากว่ามีอะไรที่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติเช่นนั้นบางทีพระสงฆ์ก็ต้องขาดวัดปฏิบัติอันนี้ไปเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าบางปีเนี่ยพระท่านก็ออกไปประพฤติปฏิบัติจะมีย น, น้อยก็เพราะว่าเรื่องทางการเมืองนี้เป็นเหตุอันหนึง่งพระที่เคยอยู่ป่าก็ต้องเข้าอยู่ในเมือง ที่อยู่นอกวัดก็ต้องเข้ามาอยู่ในวัดมาพลุกครีด้วยหมูด้วยคณะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะได้พิจารณากันให้รอบคอบเหมือนกันเพราะว่าหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางหลักปฏิบัติเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสแล้วเราก็ควรจะไปอยู่โคลนต้นไม้อยู่ป่าอยู่ถ้าเพื่อแสวงหาความสงบหรือความมีเวกบ้านชั่วขณะหนึ่ง ซึงก็ถือว่าเป็นผลกําไรของพระที่ท่านบาเพ็ญทำถ้าไม่ออกไปอย่างนั้นบ้างก็รู้สึกจะแย่อยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติให้ตัวเองบ้างแต่ว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทําให้วัดปฏิบัติ ต, ต่างๆเนี่ยต้องบกพรองไป เ, เรื่องของทุดงนี่วัตถุประสงค์นั้นเพื่อที่จะขัดกล่าวดังที่ได้กล่าวแล้ว แปลว่าผู้ดงนี้มีอยู่ทั้งหมด13ประเภทด้วยกันการปฏิบัติผู้ดงเนี่ยมีอยู่13ประเภทใน13ประเภทนี้ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าปังสุกูริกังคะผู้ดงก็คือประเภทที่ปฏิบัติผู้ดงด้วยการถือผ้าบังสุกุลผมผ้าบางสุกุลประการที่สองเตจีวริกังคะคือ ถือธุดงได้การครองท่าเพียงสามฝืนคือจะใช้ผ้าไม่เกินสามืนประเภทที่สามบินทปาสิกังคะคือประเภทที่ถือธุดงสมาทานธุดงด้วยการถือบินทบาทเป็นวัดประเภทที่ 4, สี่สัปธานะจาริกังคะคือประเภทสมาทานธุดง เ, เพื่อจาริก ไปตามลำดับไม่มีถอยหลังประเภทที่ห้าเอกาสัมิกังฆะคือประเภทที่สมาทานทุดมด้วยการถือการขันธตาหานเปี่ยงมือเดียวอาสนะเดียวภาชนะเดียวประเภทที่หปัตตสินทิกังฆะก็คือประเภทที่ถือทุดมด้วยการบินธบาต บินธบาตเพื่อเลี้ยงขีพประเภทที่เจ็ดครุปัจฉาพัตติกังคะคือประเภทที่สมาทานสุดงธด้วยการไม่ถันปัจฉาภัดคืออาหารใดที่เกิดขึ้นในภายหลังจากฉันแล้วก็ไม่รับฉันคือปรองมือฉันแล้วพืจะเอาอะไรมาประเคนอีกไม่รับไม่รับประเคนต่อไปประเภทที่แปดอารันญิกังคะ อารณีกังคะนี่คือพวกสมาทานธุดงอยู่ป่าเป็นวัดประเภทถือการอยู่ป่าเป็นวัดประการที่เก้าลุกขมูละลุกขมูลิกะลิกังคะคือประเภทสมาทานธุ้ดงด้วยการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดประเภทที่สิบอัปโภกาสิกังคะคือประเภทอยู่อัปโภกาศกระสุกลางแจ้ง ถือธูปงโดยไม่เดินเข้าชายคาบ้านจะอยู่กลางแจ้ตลอดเวลาไม่ยอมเข้าชายคาบ้านแล้วก็ประเภทที่11บเอโสสานิก 42, ารฆะทีสิบอยถาสัญถาติดกับการฆะประเภทที่สาเนสัชิกังฆะมีอยู่13าประเภทด้วยกันในสิบาประเภทนี้เราจะศึกษาไปแต่ละประเภทว่าการถือธูปงแต่ละประเภทนี้ ท่านมีหลักปฏิบัติอย่างไรบ้างสำหรับบางสุกูลีกังคะเนี่ยคือประเภทที่ถือทุดงด้วยการปมผ้าบางสุกุลปัญหามีอยู่ว่าผ้าบางสุกุลเนี่ยคือผ้าชนิดไหนผ้าบางสุกุลนี่คือผ้าที่เปื้นทุรีหรือผ้าที่หน้าสีดสเอียนเราเรียกกันว่าผ้าบางสกุล เช่นเป็นต้นว่าผ้าที่ทิ้งไว้ในกองขยะอย่างนี้ยเรียกว่าผ้าบางังคุกินที่ชาวบ้านทิ้งไว้ในกองขยะผ้าที่ห่อศพคนตายแล้วผ้าที่ห่อจอมปลวกหรือผมต้นไม้ที่แก้บนอะไรก็ตามตลอดจนผ้าที่ไฟไหม้แต่ไหม้ไม่หมดผ้าที่หนูกัดแล้วก็ชาวบ้านอาไปทิ้งผ้าที่เปื้อนเลือด ะดอดจนผ้าออซากสพอะไรต่างๆซึ่งผ้าเหล่านี้รวมเรียกว่าผ้าบังสุบุลพระสงค์ที่สมาทานุู้ดงประเภทนี้จะต้องไปเอาผ้าเหลา่านี้มาซักเมื่อ ม, ม, มาซักเสร็จแล้วจะต้องเอามาตัดเย็บทำเป็นจีวรผมอย่างนี้เรียกว่าผมผ้าบางสุกุลการสมาทานเพื่อผมผ้าบางสุกุลนี้ ในปัจจุบันนี้ท่านอนุรมอนุรมเอาไว้อย่างผ้าที่ท่านทั้งหลายไปผ้าไว้ที่โรงศพขณะที่ให้พระไปชักมหาบางสกุลเนี่ยผ้าอย่างนี้ก็เป็นผ้าบางสุกุลซึ่งถ้าพอได้ผ้าอย่างนี้ก็นับว่าดีหน่อยดีกว่าที่จะไปเก็บผ้าที่เปื้อนผงธุรีต่างๆในกองขยะหรือผ้าที่ชาวบ้านไม่ใช้แล้วแล้วก็อเอามาทิ้ง เห็นเป็นผ้าที่แตกเปื้อนผ้าที่ไม่พึงปราชนะาปลาธนาก็ไปเก็บออกมาซักมาย้อมทาเป็นจีวรผมผู้ที่สมาทานด้วยการผมผ้าบางสกุลอย่างนี้ในปัจจุบันนี้หายากดูมันว่าเกือบจะไม่มีก็ว่าได้เพราะว่าผ้าบางสกุลในปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้วก็ความจริงถ้าจะพูดถึงหายากก็ไม่ยาก ราะปัจจุบันนี้ผ้าชนิดนี้ก็มีมากกว่าในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนบางทีต้องคอยเป็นปีๆเช่นอย่างพราที่ท่านไปเก็บผ้าในกองขยมเนี่ยมาเย็บเป็นจีวรแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มผืนต้องคอยไปถึงปีหน้าเดี๋ยวต้องเก็บผ้าที่เย็บค้างเนี่ยเอาไว้พอปีหน้าไปพบผ้าใหม่ก็เอาท่านเนี่ยมาประติกประตอกและจึงจะไปเย็บเป็นจีวรผมซึ่งในสมัยนั้น เรื่องเสื้อผ้านี่หายากเป็นของที่มีราคามากและด้วยเหตุที่เป็นของมีราคามากจึงเกิดเกิดเป็นวินัยซึ่งเป็นพุทธบัญญัติว่าพระที่ห่มจีวรจะต้องจะต้องมีตะเข็บมากคือผ้าผืนนโตๆเนี่ยจะต้องมาตัดเป็นผืนเล็กๆเท่าๆกับแปลงนาผืนนาแล้วก็มีคันนาอยู่คันนาก็คือตะเข็บจีวร น, นั่นเองมาเย็บ มาตัดให้เสียเศษเสียก่อนแล้วจิงเี่ยวหกที่ทำอย่างนี้ก็ก็ว่าในสมัยนั้นโจรผู้ร้ายชุดชุมพระ บ, บางรูปท่านได้ผ้าเนื้อดีมาผืนใหญ่ท่านห่มเป็นจีวอรเดินไปในปา่าผู้ร้ายจี้เอาจี้แล้วลอกคราบหมดเลยพระต้องเอาไปไม้มานุ่เพะสุดท้ายพระพุทธองค์จึงได้บัญญัติให้เป็นวินัยขึ้นมาถ้าผ้าผืนใหญ่ต้องตัดให้เป็นผืนเล็ก เป็นเศษผ้าไปก่อนแล้วก็ผู้ร้ายไม่ยินดีโจมผู้ร้ายก็ไม่มาจีบเพราะว่าเป็นเศษผ้าถ้าห่มผ้าดีๆเดี๋ยวพระท่านก็ต้องไปนุ่งใบไม้ต่อใหม่ๆก็เลยเกิดเป็นวินัยบัญญัติขึ้นทําให้พระต้องห่มจีวรมีตะเข็บมากถึงผืนโตก็จริงแต่ว่าหลายๆผืนมาปะติดประต่อกันนี่เป็นวินัยที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลกิจการสมาทานผ้าประเภท ที่เรียกว่าบางสุขุนนั้นในปัจจุบันนี้จึงหายากเราอนุโลมมา ว, ว่าผ้าที่ท่านทั้งหลายไปทอดเอาไว้บนโลงศพนั่นแหละเป็นผ้าบางสุขุลอาตม า, าจําได้ว่าในสมัยสมัยที่วัสเกต์นี่ก็สมเด็จปู่วัสเกตท่านเล่าให้ฟังหือสมเด็จพระสังฆราชของที่แล้วเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่า ที่วัสเกตสมัยก่อนเนี่ยเป็นปา่าช้าผีดิบมีแรง้งลงดินสมทุกวันศพที่ถูกประหารชีวิตคนตายคนร้ายอนาถาเขาไปทิ้งๆิ้ไว้ที่ทป่าช้าเนี่ย <c oughs> ในสมัยนั้นไม่มีการฝังเพราะวัสเกตนี่อยู่ตรงข้ามฟากคลองข้ามฟากคลองไปอยู่เขตนอกพระนคร นั้นศพอะไรก็ไปทิ้งไว้ในปัชชานี่สมัยที่วสเกตยังมีปัชชาศีดิบมากพอตอนค่ำๆวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำญาติโยมก็มักจะ น, นิมนต์พระไปโปรงกรรมาฐานคือไปปรงศพที่กำลังทองบ้างอะไรบ้างนิมนต์ไปปรงที่ปชัชช้าพอปรงศพเสร็จแล้วตอนค่ำออกมาโยมก็ถวายน้ำปานาะ เช่นถวายน้ำอ้อยบ้างน้ำตาลสดบ้างอะไรเนี่ยถวายถวายพระเนรที่ไปปรงกรมาานบางบางคนน่ะไปทดลองสบาพระท่านคือเอาศพเอาศพกำลังเน่าเนี่ยมานอนไว้บนกระดานหกเเรียกกระดานหกกระดานเนี่ยหกขเมนได้แล้วก็เอาไตรจีวรไปพาดไว้ที่อก นีมนพระไปชักผ้าบางสุกุลแล้วก็ให้พระเนี่ยเดินไปทั้งปลายเท้าพอเท้าไปเหยียบกระดานากระดานก็กระดกศพที่นอนอยู่ก็ตั้งขึ้นตแล้วก็นี่มนไปเตากลางคืนด้วยกลางวันก็ไม่เอาให้พระไปชักผ้าบางสุกินนั้นบางองบอกวันอ่อนวิ่งป่าชาราบไปเลยบางองค์ที่กระบะแข็งหน่อยท่านรู้ท่านก็เคยชักออกมาได้ เสรจแล้ยมก็ถวายน้ำป่านะว่าเนี่ยถวายพระเนนในกบุตรนแรงสมเด็จป้าวัคโวยังเล่าให้ความว่าตอนเป็นเนนอดอยากฉันน้ําน้ําอ้อยคั้นอุตส่าห์ไปปลงธรรมาถานในเทาเหมือนกันแต่ว่าปลงไม่ขึ้น่ะไปอย่างนั้นเองไปทปําปากข้าวบุตสมบิบหน่อยออกมาโยกก็ถวายน้ําน้ําอ้อยสมเด็จเขาบอกเธอเคยไปพอสมัยนั้นจกมากเนี่ยสมัยที่ ยังมีซากศกอย่างนี้อยู่มากๆเราก็ยังหาผ้าบางสุขุนได้ง่ายแต่สมัยปัจจุบันนี้หายากผ้าบางสุุลจึงเป็นผ้าที่ไม่เปื้อนอะไรเลยบางทียังอยู่ในกระดาษแก้วห่อเรียบร้อยเราก็เรียกว่าเรี ย, รยผ้ามาหาบางสุุลตั้งเวลาที่ทอดก็ไม่ใช่ไปทอดที่ตัวศพไปทอดที่โรงโรงที่บรรจุศพสมัยนี้ก็เห็นแล้วว่าอยากเกียตายไวไเพราะว่าสวยเหลือเกิน อยากจะเข้าไปนอนพราดูรวดรายแล้วแหมสวยมากส่วนมา ก, กอสีบอลเนี่ยไปวางไว้กลาใสก็เป็นชัดดังนั้นผ้ามังสุกุลในปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นผ้าที่ไม่กรกกกเหมือนในสมัยก่อนเราก็อนุรุมอะ่ะผ้าอย่างเนี้ยเป็นผ้ามหาบังสุกุลก็ใช้ได้เหมือนกันบางองค์สมาทานผมผ้าบังสุกุลก็ต้องผมผ้าที่วรชนิดนี้นี่เป็นทุดงประเภทที่หนึ ธุดองประเภทที่สองนี่คือประเภทที่ถือถือจีวรสามผืนเรื่องถือจีวรสามผืนเนี่ยปฏิบัติกันมากจีวรสามผืนเนี่ยคือพระนี่จะมีเครื่องแต่งกายอยู่สามชิ้นชิ้นที่หนึ่งเรียกว่าสบงสบงเนี่ยคือสำหรับนุ่งชั้นในแล้วกัชิ้นที่สองก็คือจีวรที่หก ชิ้นที่สามคือสังคติผ้าผ้าไหลสังคตินี่เป็นผ้าสำหรับไว้คลุมอกเวลาหน้าหนาวหน้าหนาวก็ใชผ้าสังคติเนี่ยรอนอีกทีหนึ่งมีผ้าอยู่สามผืน <c oughs> แต่ว่าในสมัยหลังเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาอีกผืนหนึ่งเป็นสีน่ผืนคืออังสะแต่ว่าอังสะที่พตาที่ถือตุดงเนี่ย จะใช้ได้ต้องเป็นผ้าที่ยาวไม่เกินสามสองกว้างไม่เกินหนึ่งคืบจึงจะทำให้ทุดงอันนั้นยังคงอยู่ถ้าว่าเกินจากนี้แล้วเรียกว่าธุดงแตกธูดงแตก็หมายว่าธุดงนั้นขาดไปใช้ไม่ได้ที่สมาทานเพราะฉะนั้นพระที่สมาทานเปสพวกจีวรสามผืนเนี่ยจึงเป็น เป็นชาประเภทที่จะต้องประพ้นปฏิบัติโดยห่มผ้าเพียงสามชิ้นใช้ผ้าเพียงสามชิ้นผ้าสามชิ้นนี่ถ้าพูดถึงการใช้แล้วนี่ก็รู้สึกว่าจะลำบากหน่อยเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติว่าจะย้อมจีวรสัมผืนหนึ่งเนี่ยจะทำยังไงถ้า เครื่องจีบอนออกก็เปลือยกายเวลาจะย้อมต้องไปนั่งแอบตามขุมทุ่มพุ่มไม้แล้วก็เอาจีบอลเนี่ยย้อมแล้วก็นั่งเฝ้าพอาจีบอลแห้งแล้วก็หุถ้าหากว่าเกิดขณะนั้นจะมีใครมาเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องนั่งใกล้ๆจีวอลถ้ามีใครมาว่าให้ดึงจีบอลมาหุบชั่วคราวได้ แต่การที่จะสังคติมโหมแทนจวรเนี่ยไม่สมควรสังคติต้องเป็นสังคติทีนี้เวลาสงน้ำละ่ะทำยังไงตอนนี้แย่เลยมีผ้าอาบอยู่ฝืนเดียตอนสงน้ำเนี่ยแล้วก็สมัยสมัยก่อนเนี่ยเดินทุดงนี่นิพระทุดงท่านเล่าให้ฟังจ้า พ, พูดเจ้าท่านบอกว่าเวลาเราเดินทุดงไปในป่า บิงทีต้องมีลำทานอยู่ฝั่งหน้าเราต้องลุยน้ำไปไอตอนลุยน้ำไปในไอจีบอนเราก้มีสามผืนสบองมีผืนเดียวถ้าากว่าให้เปลียนปวดท้องแม่วลวนุ่งผ้าเบรกเดยวก็ปวดท้องจะทำยังไงอาตมากระถามและหลวงพ่อทำอยังไงเราบอกวิธีทำมีเราสมุนวั่นจีบอนขึ้ น, นพันคอ <c oughs> เสร็จแล้ว ต่ก็ค่อยๆเดินลงไปเรื่อยค่อยๆถกสบงขึ้นน้ําลึกแค่ไหนก็พกหนกหนีหน้น้ําไปเรื่อยนะจนกว่ามันจะมิดไปทั้งตัวโดยไม่ให้ผ้าสบ o n เปลี่ยนเสร็จแล้วก็ขึ้นบก็กค่อยๆลดลงตามระดับน้ําก็ขึ้นไประดับน้ําลดลงจีบวานก็ต้องลดตามระดับน้ําเสร็จแล้วก็ถ่านไปได้เนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติทีนี้เวลาสงน้ําเนี่ยลําบากเหลือเกิน เวลาส่งน้ำในป่านี่ลําบากมากเพราะว่ามีผ้าเพียงผืนเดียวท่านจะต้องรักษาผ้าสามผืนเนี่ยไม่ให้เปียกเพราะถ้าเปียกแล้วทั้งคืนยุ่งเดือดร้อนแน่เพราะท่อห่มก็ไม่มีมีผ้าสันทปิกเป็นผ้าอมนอนจะใช้ผ้าเกินจากนี้ไม่ได้มีเพียงสามผืนเท่านั้นฉะ <c oughs> นั้นอการปฏิบัติทุโลงข้อนี้ พระเถระที่ท่านได้เคยปฏิบัติในสมัยก่อนๆสมัยโบราณดีท่านต้องหาวิธีที่ท่านจะต้องใช้เวียนผ้าสาผืนเนี่ยให้ได้จังหวะกันโดยที่ท่านไม่ต้องลั บ, บากแล้วก็มีวิธีทำบางทีท่านก็ห่ผมผ้าห่มชีวอเนี่ยผืนเดียวแทนสบงเสร็จอยู่ในนี้ และท่านก็ทําความสะอาดผ้าผืนอื่นเช่นอย่างสบองหรือสังขารติเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วยอดเสร็จแล้วท่านก็ม้วนตามเดิมและพระต้าที่สมาทานทุดงประเภทถือผ้าสามผืนเราจะเอาจีวรไปถวายท่านเห็นว่าแม้ท่านเนี่ยขับสนจีวรควรจะเอาจีวรไปถวายท่านท่านก็รับถวายไม่ได้ถ้ารับถวาย ผู้ดงที่สมาทานก็นแตกเขาเรียกว่าผู้ดงแตกงั้นเตจีบริการพระผู้ดงนี่จึงเป็นการรักษาผ้าสามอืนที่ค่อนข้างจะลำบากอยู่มีปัจจุบันนี้ก็ยังถือแท่งครับอยู่อีกท่านหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าสาธุชนทั้งหลายทราบอาตมาก็อยากจะชี้ช่องเนื้อนาบุญให้ ว่าการถวายจีวรพระสงฆ์จะได้บุญมากๆเนี่ยคอยจ้องดูว่าพระที่ท่านสมาทานผู้ดงถือผ้าสาผื่นเนี่ยจีวรจะขาดเมื่อไรแล้วก็เตรียมจัดชีวรไปถวายท่านได้อันนี้สง่งมากถ้าไม่รู้แล้วเราจะไปเขี่ยวเข็นท่านก็ไม่ได้ เ, เมื่อภรรษาแรกอาตมาเคยครั้งหนึ่งต้องผิดหวังเพราะว่าตอนไปอยู่ถ้ำ ไปกับพระพิเลี้ยงพอออกพรรษาก็ไปอยู่ถ้ำพระที่เลี้ยงก็คุมไปองค์หนึ่งหลวงพ่อให้พระที่เลี้ยงคุมไปโลกพระนวากะองมีพระทพิเลี้ยงคุมระหว่างที่ไปอยู่ในถ้ำเนี่ยภูเขาที่ห่างจากที่อาตมาอยู่ประมาณสักสิบสองกิโลได้มีพระผู้เฒ่าอยู่อีกองค์หนึ่ง ซึ่งองค์นี้ท่านอยู่ที่ถ้ำเนี่ยมาสี่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็ปฏิบัติเคร่งมากท่านอยู่ในถ้ำของท่านบินธบาเป็นวัดอยู่เนี่ยไม่อยู่วัดเลยอยู่ปากถ้าแม้พอเรารู้แล้วว่าศรัทธาอะเรามีจีวรเกินมาผืนหนึ่งจีวรที่เราเกินที่เราเตรียมออกมาคุ้รองผืนหนเนี่ยเราจะไปถวายสร้างรูปนี้ อุตส่าเดินมาสิบกว่ากิโลไปที่เนี่ยไปถึงท่านไม่ยอมรับเราน่ยแหมมีศรัทธาเต็มเปี่ยมเอาจิวร อ, อุตสาเอามาให้เดินแหมเท้านี่ก็พอมบอกเนี่ยตั้งใจจะอจีวรมาถวายท่านและตั้งใจจะมาสนทานาธรรมเ ก, ก็บเรื่องปฏิบัติกับท่านท่านไม่ยอมรับที่ไม่ยอมรับเพราะว่าท่านสมาทานผุ้ดงถือผ้าสามผืนทีนี้ผ้าสามผืนที่ถือนเนี่ยยังไม่ขาด ท่านก็รับจะเก่าไม่ได้เนี่ยเพราะสุดท้ายเราก็ผิดหวังไม่ได้ทําบุญเนี่ยเราจะทําบุญกับภาพประเภทนี้ก็ยากอยู่เหมือนกัน <c oughs> คือต้องดูจังหวะว่าจีวรท่านเก่าแล้วหรือยังถ้าท่านเก่าท่านจะเปลี่ยนจีวรก็เรารียบหาจีวรใหม่ไปเปลี่ยนนั่นแนหะเราจรึงจะถวายได้สําเร็จอาตมาเคยจ้องถวายจีวท ร, ร, รท่านครูบาพรหมจักรท่านครูบาพรหมจักรเนี่คือ ท่านจเจ้าวาวัาวดรบาดปากผ้าที่ลำพูนองนี้ท่านถือธุดองมาตั้งแต่นุ่มท่านเดินธุดองในตามประวัติของท่านเนี่ยสมัยท่านครูบาสีวิชัยท่านติดตามท่านเดินธุดองตลอดเวลาท่านออกบวช ด, ด้วยกันสามองค์มีพี่น้องสามพี่น้อง <c oughs> <c oughs> องคพี่คือท่านพระครูอินทดักรองน้องพร ม, มจักร องค์องค์เล็กนี้ชื่ออะไรไม่ทราบปัตมาไม่รู้จักองค์นี้หมด น, นามภาพไปแล้วปัจจุบันได้เหลือสององคืออินทจักรกับกรมจักรท่านหลวงพ่ออินทจั ก, กรก น, ออ น, กนะท่านอยู่วัดน้ําบอ่อหลวงอําเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหลวงพ่อพรมจักรนี้ท่านอยู่วัดสบาดปากท่าจังหวัดลำพูนอยู่ในคนละจังหวัดองค์เนี้ยท่านถือทุดง เพ่งครับถือจีวรสามผืนอตนาตมาไปเยี่ยมท่านสีดายก็บอกเอ๊ะท่านครูบาผมนะ่าจะถวายจีวรท่านรูบาสทีไม่มีเวลาถวายไม่ได้โอกาสสักทีเมื่อไหลจีวรที่หนะ่มันจะขาดสักทีนะผมจะถวายจีวรหรือเตรียมไว้จะถวายท่านสามผืนจังหวะไม่ได้สักทีหนะึ่งวันนั้นไปวิทยาลัยก็บอกจีวร น, นี่ก็ความจริ ง, คว ร, งควรจะขาดได้แล้วคนระับ ถ้าไปเยี่สมตมาต่อควรจะขาดได้แล้วผมจะได้ถวายสักใบหนึ่งอยากจะถวายจีวรกับท่านครูบาเนี่ยตั้งใจมานานแล้วไม่ได้ถวายสักสีเพราะว่าพอท่านเองก็สมาทานทุดมสามสือถ้าจีวรไม่ขาดท่านก็รับไม่ได้เนี่ยลําบากบางทีตมา ต, ต้องบอกให้ลูกติดเปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนเถะกล่าวแล้วขอถวายเอาใบใหม่ใช้ต้องใช้ของผมเลยนะ เราถวายให้ใหม่แต่ก่อนเราตมามีเพื่อนอยู่องค์ันถือตุดองอย่างเนี้แต่ว่าเพื่อนกันไม่เป็นไรเราใช้วิธีใหม่ได้คือมันไม่ขาดเรททำไม่ขาดสัก็ได้ยแล้วก็เปลี่ยนใหม่ <c oughs> เห็นไม่เก่าพอสมควรแล้วเราจะทำบุญไม่ทันใจขีกๆได้ขาดแล้เปลี่ยนน้ <c oughs> าไข่เอาเอาใจใหม่ห่มใจเก่าทิ้งไปเถอะมันเก่าพอสมควรแล้วอย่างนี้ทาได้ไหป เพราะว่าเราต้องการถวายของใหม่ให้ท่านการถือทูดงสามผืนเนี่ยเป็นเรื่องลำบากลำบากในด้านการปฏิบัติแต่วัตถุประสงค์ของการถือสามผืนหรืออานิสงส์ที่เราจะได้จากการถือจีวรสามผืนนี่มีมากเละเกิน